أسار ر ب ه ُ إن طلقكن أي ُ ب د ل ه أزواج خيرا منكن أزواج خيرا م ن ك ّ مسلمات مؤمنات قالتات تائبات ت ا ئ หากพวกเขาหยาพวกนางบางทีพระผู้อวบานของเขาก็จะทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงให้แก่เขามีภริยาที่ดีกว่าพวกนางเป็นหญิงที่นอบน้อมถ่อมตนเป็นหญิงผู้ศรัทธาเป็นหญิงผู้พักดีเป็นหญิงผู้กลับเนื้อกับตัวเป็นหญิงที่มั่นต่อการเคารพพักดีต่ออะ เป็นหญิงที่มั่นต่อการถือสินบดเป็นหญิงที่เป็นไม้และที่เป็นหญิงสาวยออออนนกลลรค โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหินมีมาลาัยกาผู้แข็งกร้าคอยเฝ้ารักษามันอยู่พวกเขาจะไม่ฟ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชา โอ้ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายวันนี้พวกเจ้าอย่าได้แก้ตัวเลยความจริงพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ยอเยห์เหลเดินอานมนุตุบุอิล توبة نصوحه عسى ربكم أ ن ي ك ف ر عنكم سيئاتكم و ي د خ ل ك م جنات و ي د خ ل ك م جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ء يوم لا ي خ ز ي ا ل ل ه النبي والذين آمنوا معه โอ้ผู้สถาทั้งหลายจงกลับตัวต่ออัลลอฮ์ด้วยการขออภัยโทษอย่างจริงจังเถิดบางทีพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า จะลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าและจะสรงให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านวันที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงทําให้ดบีและบรรดาผู้ศรัทรา่วมกับเขาต้องอับอายแสงสว่างของพวกเขาจะส่องจ้าไปยังเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้พิบาลของเรา ขอพระองค์ได้ทรงโปรดทำให้แสงสว่างของเราอยู่กับเราตลอดไปและทรงยกโทษให้แก่เราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งโอ้นบีเ อ, อ๋ย จงต่อสู้กับพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมูนาฟิกินและจงแข็งกร้าวกับพวกเขาเพราะที่อำนากของพวกเขาคือนรกซึ่งมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิง่ง อโลทรงยกอุทาหอให้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาถึงภริยาของนัวและภริยาของรูดนางทั้งสองอยู่ภายใต้การปกครองของบ่าวที่ดีทั้งสองในหมู่ปวงบ่าวของเราแต่นางทั้งสองได้ทรยศต่อเขาทั้งสอง ดังนั้นเขาทั้งสองจึงไม่สามารถช่วยนางทั้งสองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอ์แต่ประการใดจึงมีเสียงกล่าวขึ้นว่าเธอทั้งสองจงเข้าไปในไฟนรกพร้อมกับบรรดาผู้ที่เข้าไปเถิด แล้วล้อทรงยกอุทาหรณ์กับบรรดาผู้ศรัทธาถึงภรรยาของฟิราเอลเมื่อนางได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ฉันณที่พระองค์ท่านในสวนสวรรค์และทรงโปรดช่วยฉันให้พ้นจากฟิร์เอลและการการะทําของเขาและทรงโปรดช่วยฉันให้พ้นจากกลุ่มชน ผู้และมารายาบุตรีของอิมรอนผู้ซึ่งรักษาพรหมจารีของนาแล้วเราได้เป่าวิญญาณจากเราเข้าไปในานา และนางได้ศรัทธาต่อบัญญัตต่างๆแห่งพระเจ้าของนางและได้ศรัทธาต่อคำพีต่างๆของพระองค์และนางจึงอยู่ในหมู่ผู้พักดีทั้งหลาย